เมื่อวานะมีข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งแต่เป็นข่าวที่น่าประทับใจมากบางคนถึงกับใช้คำว่าตะลึงเลยนะเพราะว่ามันเป็นข่าวที่นานๆจะได้ยินสักทีแล้วก็เป็นข่าวดีด้วยก็คือมีนักธุรกิจคนหนึ่งนะเป็นคนไทยนี่แหละนะบริจาคเงินเก0ร้อยล้านเป็นเงินสดนะให้กับมูลนิธิรามาธิปดีเป็นมูลนิธิของโรงพยาบาลรามาเนี่ย 160ล้านนี้ก็บริจาคเพื่อปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนแพทย์อีก300ล้านนี้ก็เพื่อสนับสนุนศูนย์การแพทย์ของโรงพยาบาลแล้วก็อีก440ล้านนี้ก็เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนนะของโรงพยาบาลไม่ใช่อาคารเรียนอาคารของโรงพยาบาลเลยที่ใช้รักษา คนป่วยรวมแล้วก็ก้าร้อยล้านนะน่าจะเป็นเงินที่มากไม่ใช่น้อยเลยนะนักธุรกิจคนนี้เนี่ยชื่อจุนนะวันเอาวิศกับภรรยาสุนทรีเป็นเจ้าของบริษัทฮัตตารินะฮัตตารีนี่ก็ผลิตพัดลมหลายคนก็ใช้พัดลมฮัตตารินะก็ถือว่า มีส่วนช่วยสนับสนุนนะให้มีการบริจาคเงินนะเพื่อสนับสนุนกิจการที่เป็นสาธารณกุศลคุณตัวนี้อายุ86ปีแล้วนะแล้วก็ชีวิตนี้ก็ลำบากยากจนกันเล็กนะตอนเด็กก็เรียนได้แค่ป .2 ก็ต้องลาออกมาช่วยพ่อแม่ทำงานนะ ทำความสะอาดเป็นพันโรงตั้งแต่22ขวบโตขึ้นก็ต้องนะรับจ้างขับรถแท็กซี่บ้างใช้แรงงานบ้างจนกระทั่งนะได้มาเรียนรู้เรื่องช่างจากการซ่อมพัดลมนะก็กลายมาเป็นการสร้างผลิตพัดลมได้ตัวเองก็สร้างเนื้อสร้างตัวได้โดยการผลิตพัดลมขายนะแต่ว่า รายได้ที่มีกำไรที่ได้นี่ก็เอามาใช้นะเพื่อตัวเองน้อยนะแต่ว่าเอามาใช้เพื่อกิจการสาธารณประโยชน์นี่ก็เยอะนะไอ้เกาล้านเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะนะกุญจนหรือบางคนเรียกว่าอากงจุนเนี่ยแกก็บริจาคเงินนะเพื่อช่วยโรงพยาบาลต่างๆมาม า, มากมายตลอดเวลานะ 30ปี40ปีที่ทำธุรกิจเนี่ยพอลืมตาอ้าปากได้นี่ก็กำไรที่มีเงินที่ได้นี่ก็บริจาคนะยพ่อโรงพยาบาลนี่ทำจริงทำจังมากนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคารรวมน้ำให้ทุนพยาบาลแต่ว่าไม่ค่อยเป็นข่าวนะทำเงียบ แล้วก็ทําม่เรื่อยๆคนในวงการแพทย์โรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลนี่รู้จักอากงจุนดีนะแต่ว่าข่าวนี้นี่เป็นข่าวใหญ่นะเพราะว่าบริจาคเงินรวดเดียวนี่เงินสดนะแล้วเป็นเงินส่วนตัวนะไม่ใช่เป็นเงินของบริษัทอากงจุนเนี่ยแกจะว่าไปเนี่ยแม้จะเป็นเศรษฐีนะแต่ก็ไม่ค่อยแสดงตัวเท่าไหร่แล้วก็ ไม่ได้ติดอันดับเศรษฐีเมืองไทยหนึ่งนร้อยนเมืองไทยนี่มีเศรษฐีเยอะนะระดับหมื่นล้านแสนล้านก็มีอากงจุนนี้ก็ไม่ติดอันดับ1ในร้อนะแปลว่าเป็นเศรษฐีระดับพันล้านนะไม่ได้ระดับหมื่นล้านแล้วระดับพันล้านนี่นะสมมติว่ามีเงินสักเพันล้านเนี่ยไอที่ไปจากเก้าร้อเนี่ยคือ 10% นะถือว่าเยอะมากพอเศรษฐีเมืองไทย บริจาคเงินเพื่อการกุศลเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ถึง 1% นะบางทีก็ 0.01% แต่แค่บริจาคเงิน 10% ของรายได้ที่มีนี่ก็ถือเยอะนะแต่คิดว่าเนี่ยอากงจุนคงจะไม่ให้มีเงินถึง 9,000 ล้านนะคงจะน้อยกว่านั้นถ้ามีสักษี0 0 0ล้าน 4,500 ล้านก็900ล้านนี่ก็คือที่บริจาคคือ 50% าแต่ก็เป็นไปได้ว่า 900ล้านที่บริจาคเนี่ยอาจจะไม่ใช่ 50% อร์ซของเงินที่มีนะอาจจะถึง 90% ้าสถึงอร์ของเงินที่มีก็ได้นะก็จะเหลือส0รนะคนรวยเนี่ยส่วนใหญ่พอมีเงินแล้วเนี่ยนะถ้าไม่ใช่เพื่อบำรุงบำเรอความสุขส่วนตัวเช่นซื้อสินค้าแบรนด์เนมนะมีเครื่องบินส่วนตัว หรือว่ากินอยู่อย่างรูหราเนี่ยก็มักจะเก็บเงินเอาไว้ให้ลูกหลานนะแต่ว่าอากองจนนี่จนะเป็นคนใช้ชีวิตสมรรมากคือไม่ลืมตัวนะตั้งแต่สมัยที่เคยยากจนมาก่อนพอมั่งมีแล้วก็ยังใช้เงินอย่างประหยัดไม่ใช้สินค้าแบรนด์เนม ได้ข่าวว่านาฬิกาที่สวมนี่ก็ราคาไม่ถึงสองพันะไม่ได้ใช่ไม่ใช่โรเล็กซ์ราคาเป็นแสนเป็นล้านนนอกจากไม่ได้ใช้ส่วนตัวนะก็ไม่ได้คิดนะที่จะเก็บเงินไว้ให้ลูกหลานนะมีเงินเป็นระดับร้อยล้านพันล้านนี้ก็กลับมอบให้กับโรงพยาบาลหรือว่ากิจการสาธารณประโยชน์ ในส่วนของลูกหลานนี่ก็ถือว่าใจกว้างนะเพราะว่ายินดีสับสนุนนะที่พ่อเนี่ยและแม่เนี่ยบริจาคเงินนับพันล้า น, นให้โรงพยาบาลเพราะว่าถ้าบริจาคเงินมากๆแบบนี้นะไอ้เงินที่จะตกมาตกทอดเป็นมรดกให้กับตัวเองเนี่ยให้กับลูกหลานตอนที่อากงตายเนี่ยก็คงจะเหลือไม่มากแต่ลูกหลานนี่ก็ สนับสนุนด้วยนะไปรวมพิธีการบริจาคเงินก็นับว่าทั้งอั ก, กงเนี่ยแล้วก็อมัม่ามันเป็นคนที่ใจใหญ่มากนะแล้วก็ลูกลูกเนี่ยก็ถือว่ามาีจิตใจที่ดีงามเหมือนกันยินดีที่พ่อแม่บริจาคเงินให้กับส่วนรวม แทนที่เก็บไว้ให้ตัวเองใช้นะอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความดีงามของผู้ที่เป็นลูกด้วยนะแต่ว่าคนที่ิเริ่มเนี่ยนะคืออากงจุนเนี่ยนะก็ถือว่าอย่างที่ว่านี่มีใจที่ใหญ่มากนะเป็นคนที่มีเมตตากรุณาสูงซึ่งสะท้อนให้เห็นนะว่าเป็นคนที่มีความสุขเนี่ยจากการให้คนเราเนี่ย จำนวนไม่น้อยนะมีความสุขจากการมีการได้การเสพมีความสุขจากการมีเงินเยอะๆมีความสุขจากการหาเงินมาได้เยอะๆมีความสุขจากการได้ครอบครองทรัพย์สมบัติราคาแพงที่ดินแก้วแหวนเงินทองรถยนต์บางคนเนี่ยมีเงินมากมหาศาลไม่รู้ใช่ไหมก็ไปซื้อรถนะรถซูปเปอร์คาร์ไม่ใช่คันเดียวนะบางทีสิบคันนะรวมแล้วนี่ก็นับพันล้านนะ แต่ก็ยังไม่เลิกนะที่จะซื้อเพิ่มนะเพราะว่าความสุขเข้าอยู่ตรงนั้นแต่อากงจุนนี่ความสุขอยู่ที่การบริจาคอยู่ที่การให้นะเพราะวาความสุขถ้าอยู่ที่การมีการได้นี่ก็คงจะใช้ชีวิตแบบรู้ราบฟุ่มเฟือยแล้วนะแต่นี่ความสุขเกิดจากการให้เพราะนั้นก็ให้เรื่อยๆและถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยไอ้ที่ให้เนี่ยตลอดช่วงเวลา 30-40 ปีเนี่ยรวมแล้ว น, นี่ก็คงจะ ไม่น้อยกว่าการที่ให้ครั้งล่าสุดนักเกรล้านรวมให้ทั้งหมดนี่ก็พันกว่าล้านนะอันนี้ก็น่าเป็นเรื่องที่นาอนุโมทนาแล้วมันเชื่อเห็นนะว่าคนที่มีความสันโดษเนี่ยกับคนที่มีความร่ํารวยเนี่ยเป็นคนเดียวกันได้นะสันโดษเนี่ยคือการอยู่ง่ายกินง่ายมักน้อยมัธยัตนะพอใจสิ่งที่มีในสิ่งที่ได้ คนทสันโดเนี่ยแต่ร่ารวยนี่ก็มีนะในสายพุทธการก็มีเยอะมันไม่ได้ขัดแย้งกันแต่ว่าความร่ารวยที่มีเนี่ยมันไม่มีเอาไว้เพื่อปนเปื้ตนนะแต่ที่ร่ารวยเนี่ยก็เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลส่วนรวมนะบางคนก็ใช้เงินเพื่ออุปถัมภ์พระศาสนาบางคนก็ใช้เงินเพื่อช่วยเหลือคนยากคนจนคนทุกคนร้อนคนที่สันโดษเนี่ยที่ขยันเนี่ย ไปด้วยกันนะสันโดรเนี่ยต้องตามด้วยความขยันนะบางคนไม่เข้าใจว่าสันโดรเนี่ยทําให้งอเมืองอเท้าเกลียดครั่งที่จริงสันโดรนนี่ต้องคู่กับความขยันนะคือวิริยะขยันในการทํางานขยันในการทํามาหาเงินแต่เงินที่ได้เนี่ยไม่ได้ใช้เพื่อปนเปื้ตนนะแต่ใช้เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ส่วนรวมนะอันนี้เป็นสิ่งที่นะ เป็นไปได้นะแล้วก็อากงจุนนี่ก็เป็นตัวอย่างนะอยู่ง่ายกินง่ายนะแต่ว่าขยันทางานนะความสุขของอากงส่นนก็คืออยู่ที่การทำงานนะทำงานแล้วมีความสุขนะพอมีความสุขได้เงินมาก็เอามาใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นความสุขที่ซ้อนเพิ่มพูนขึ้นมาอีกนี่เป็นแบบอย่างนะแบบอย่างของ คนไทยแล้วก็แบบอย่างของเศรษฐีด้วยนะเศรษฐีไทยนี่มีเยอะนะระดับหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยถ้าว่ารู้จักบริจาคเงินไม่ต้องถึง 10% หรือว่า 90% ของรายได้ที่มีเอาแค่ 1% นก็พอนะโอ้มันก็จะช่วยสังคมช่วยเหลือคนยากคนตนช่วยเหลือการศึกษาการแพทย์ไทยเนี่ยได้กว้างขวางเลยแต่ว่าเศรษฐีไทยแบบนี้ยังมีน้อยนะ ถึงมีก็ทำเพื่อสร้างภาพนะหรือไม่ก็เพื่อประโยชน์ด้านอื่นนะเพราะว่าเขายังมีความสุขจากการมีการได้มีนำซ้ำเนี่ยเงินที่มีบางทีก็ได้จากการทำกิจการที่เป็นโทษนะเช่นขายเหล้าขายเบียร์หรือก่อมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อมทำลายป่า การธุรกิจงอจุลนี้พัดลมนะมันให้ความสบายกายสบายใจกับผู้คนและเงินที่ได้มาก็เอามาใช้เพื่อช่วยเหลือส่วนรวมเป็นแบบอย่างของคนที่สันโดยก็จริงนะแต่ว่าไม่ทิ้งความเพียร น, นะเป็นแบบอย่างคนที่มีความสุขจากการให้ความร่ำรวยนะของ อากงจุนก็เลยเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมผู้เจ้าเปรียบเหมือนกับสระน้ําใหญ่นะสระน้ําใหญ่ที่เป็นไปเพื่อช่วยเหลือเพื่อเกื้อกูลสัพพชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือผู้คนนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สร ะ, ะน้ําในป่าที่ผู้คนเข้าไม่ถึงแต่เป็นสระน้ําในชุมชนนะที่ใครๆก็มาใช้ประโยชน์และเนี่ยคือเป็น แบบอย่างหรืออุดงกติของชาวพุทธนะทำตัวให้เกื้อกูลเป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะนอกจากการบาเพ็ญประโยชน์ตนแล้ว